หลายคนมักคิดว่าถ้าได้พบสิ่งดีๆได้เสพ ส, สิ่งที่อร่อยได้ฟังเพลงเพราะถึงจะมีความสุขหรือว่าได้ทรัพสมบัติได้โชคได้ลาภถึงจะมีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยนะอ ย, อย่างเช่นอาหารที่อร่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใจมันไม่อยาก กินก็ไม่มีความสุขนะอาหารใจอร่อยได้เนี่ยมันไม่ได้ชื่อมันราคาแพงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าใจาเราอยากด้วยถ้าใจไม่อยากก็อาจจะกลายเป็นการฝืนกินได้แม้แต่พัสดคารที่รู้พัสดทคารที่ราคาแพงก็ยังต้องมีการพยายามเรียกน้าย่อยหรือกระตุ้นความอยากของลูกค้านะเช่นจะต้องมีออเดอร์ก่อนนะ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 ใจไม่เกือ้อกูลมันก็ไม่เกิดความสุขขึ้นมาได้เราไปเที่ยวไม่ว่าไกลแค่ไหนนะไปอย่างที่ๆมันงดงานเพียงใดแต่ถ้าว่าใจของเราตอนนั้นเนี่ยมีความกังวลกังวลถึงเรื่องงานการ ก, กังวลถึงลูกหรือห่วงพ่อแม่ซึ่งกำลังป่วยก็ไม่มีความสุขนาจากการไปเที่ยวหรือว่าบางทีอาจจะขุนเคืองใจนะ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 จะเป็นตาหูจะไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเหตุการณ์เช่นความพัดพราดสูญเสียความเจ็บความป่วยเพียงแค่เกิดอย่างเดียวไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะจะทุกข์ใจได้เนี่ยใจต้องร่วมมือด้วยเช่นเสียงดังมากระทบถ้าเกิดว่าเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะหรือว่าไม่สนใจ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 หรือพูดกันว่าทุกใจหรือว่าขุนเคืองใจเพราะเสียงดังเนี่ยไปโทษเสียงว่าทําให้เราทุกเนี่ยมันยังไม่ถูกนะใจเราก็มีส่วนด้วยมันมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุตรานี่ ย, ยังยังมีชีวิตยอยู่ท่านตอนนั้นท่านก็ชราแล้วหลวงปู่บุตรานี่ท่านมรณภาพไปยี่สิบปีมาแล้วนะตอนที่มรณภาพก็อายุหนึ่งศตวรรษตอนที่ท่านอายุสักแปดสิบเก้าสิบมันก็มีโยมนี่หมดให้ท่านไปอาชันเพล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 ขณะที่หลวงพ่อเอนกายอยู่นะลูกศิษย์ก็เวลาจะคืนก็สิกกระซิบก็ทราบไม่อยากจะรบกวนท่านแต่บังเอิญห้องที่ติดกันเนี่ยคือเป็นห้องแถวอะห้องที่ติดกันก็เป็นร้านชําเจ้าของนี่เป็นอาซิมอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะสวมเกียเ้ยนะอาตอมาเด็กๆก็ยังได้ทันสวมเกีย้ยเลยนะเกีย้ยไม้แล้วก็ยังไม่มีรองเท้าแต่พลาสติก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 ลองถามใจตัวเองว่านะ่มันเป็นพ่อปัญหาหรือมันเป็นพ่อเราแบกเอาไว้ปัญหาก็เปรียบเหมือนก้อนหินนะถ้าไม่แบกก็ไม่ทำให้เราทุกข์ก้อนหินเราแบกด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยตัวด้วยร่างกายแต่ปัญหานี่เราแบกด้วยใจและทำไมถึงแบกเอาไว้ในเมื่อทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างนะเราแบกเอาไว้ทั้งที่มันก็ทุกข์นะอารมณ์โกรธเราส่า ประคบประคองรักษาห่วงแหมันเอาไว้ทําไมทั้งที่มันเผารุนใจทั้งที่มันเหมือนกับฐานก้อนแดงๆที่เผาใจเราทําไมทุกแล้วถึงยังแบกอยู่หรือทําไมทุกแล้วยังกรรมฐานก้อนแดงๆอยู่ก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติคนเราพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะแบกอะไรต่ออะไรได้มากมายนะ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 เมื่อชาติที่แล้วไปไปสนทนากับโจรจันไดนะโจรจันไดนี่แต่ตอนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมากโดวยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยากใช้ชีวิตพอเพียงเพราะว่าแกอยู่อย่างสมถะทรทำนาเก็บมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็สร้างบ้านดินอ่คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าด้วยก็มีนะ ห้าสิบหกสิบก็ไปที่ส่วนของแกเพื่อไปเรียนรูนะ้การทำกรเกษตรการทำบ้านดินนะนะช่วงนี้ก็ก็ดังนะเพราะว่าบางจากก็เอาไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเรื่องชีวิตพอเพียงแกเล่า ว, ว่าสมัยที่ยังหนุ่มเนี่ยแกไม่ได้มีความคิดแบบนี้นะอยากรวยก็พยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนไปใช้ชีวิตในกรุงเทพแต่ไม่ค่อยมีวิชาความรู้เท่าไหร่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 เป็นคนที่ด่าตลอดด่าเสร็จแล้วก็ไปไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มีคราหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้ก็ให้แกไปสายแกไปเช็ดลูกบิดประตูห้องพักก็บอกเนี่ยเอาบรัชโซไปขัดซะแกก็เอาบลัชโซไปขัดลูกบิดนะขัดใกล้เสร็จอยู่แล้วผู้จัดการก็มาเห็นแล้วก็ต่อว่าว่าขัดได้ยังไงไอ้ลูกบิดแบบนี้มันขัดด้วยบรัชโซ่ไม่ได้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 ขอโทษครับขอบคุณครับที่เตือนและนับแต่นั้นมาเวลาผู้หญิงคนนั้นด่าแกแกก็จะยกมือไหว้แล้วก็ยิม้มพ้องก็บอกว่าขอบคุณครับอันที่แรกแกก็รู้สึกตะกิดตะขวงนะแต่ต่อหลังเนี่ยแกก็รู้สึกสบายใจที่ทําเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นความรู้สึก ข, ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่แกช่วยเตือนให้หันมา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 หรือว่าประชดหรือว่าตำหนิโจร น, นะบอกว่าเนี่ยโง่จริงเลยนะหรือว่าบางคนก็บอกแกเสียสติไปหรือเปล่านะถูกด่าได้แท้อยังยิ้มให้เขาอย่างไหวเขาอีกนะแต่แกก็ไม่ไม่สนใจเพราะแกรู้รสึกอย่างนี้นจริงๆว่าขอบคุณที่เขาได้มาช่วยเตือนให้เรามาจัดการกับอารมณ์ของเราหนึ่งเดือนต่อมาผู้หญิงคนนั้นเจ้านายเนี่ยก็เรียกแกมาหาแล้วก็ถามว่าเนี่ย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 คำพูดเหล่านั้นเนี่ยมาทิ่มแทงจิตใจด่ายังไงใจก็ไม่ทุกข์ก็ได้นะนะเศรษฐีบางคนเนี่ยร่ารวยมากนะแต่ก็เป็นแกเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวอดีตเจ้าของเมืองโบราณคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เสียชีวนะิตไปแล้วเนี่ยแกเล่าว่าแกพูดว่านเนี่ยวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอัปมงคล ถ, ถูกตําหนิไม่ใช่ว่าจะต้องโก๊บโมโหจะต้องขุนเคืองเสมอไปนะ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 ขโมยความสุขไปจากใจเราได้ไม่แต่ความเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ใจมันทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกก็ได้นะเดีย๋ยวเพื่อตอมาคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็แกก็พูดว่าเนี่ยสองปีสุดท้ายของความเจ็บป่วยเนี่ยแกเป็นมาประมาณสิบปีนะแล้วก็แต่ว่าอาการลุกลามระยะสุดท้ายก็กประมาณ สามปีหลังเขากบอกว่าเนี่ยสองปีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วดที่แกมีความสุขมากทั้ง น, นี้เป็นมะเร็งนะเพราะว่าได้ปล่อยวางนะความเจ็บความปวดและต้องความตายก็มามาเตือนให้เธอรู้จักปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางงานการปล่อยวา ง, ง, าาวางความขุ่นเคืองใจความรู้สึกผิดต่างๆ เราก็ไม่ถือสากับผู้คนนะใครก็จะพูดอะไรใครก็จะทำอะไรกับเธอเธอก็ปล่อยวางเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่สาละอะไรและอีกอย่างก็อาจจะเป็นเพราะว่ารู้ว่ามีเวลาอยู่ไม่นานนะจะไปเสียเวลาทุกข์จะไปเสียเวลากรัดกลุ่มทําไมเขาก็ว่างได้เพราะว่าเสร็จก็มีความสุขนั้นมะเร็งนี่ไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะมะเร็งทําได้มากคือทุกข์กายแต่ไม่สามารถทําให้ทุกข์ใจได้